ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนชั้นเรื่องเปิดกลุ่ลือสีชี้ทางพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อบันที่24กรกฎาคม2536ณพุทธสถานประทมอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบบัด น, นี้ค่ะ ชีวสร้างความคิดสร้างคำพูดสร้างการกระทำสร้างงานการทุกอย่างที่ประกอบไปในชีวิตอาตมาว่าท่านสรุปสูตรทฤษฎีหลักสำคัญที่สุดลงในมรรคองแปดนี่ยไวแล้วท่านทำไว้แล้ว อตาตมามาทำนี่เป็นภาคขยายรายละเอียดออกมาจากหลักทฤษฎีที่ยนย่อสรุปเป็นสูตรสําคัญไว้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วเอามาพิสูจน์กับพวกเราอตาตมาในพิสูจน์เองมาแล้วอาตมามั่นใจใครพิสูจน์กับพวกเราก็เห็นผลว่าเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง จ, จิตใจเปลี่ยนแปลงกายวาจาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเปลี่ยนแปลงอาชีพ เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของชีวิตแต่ก่อนนี้เราต้องการความสุขจากต้องการความสุขมาเป็นต้องการลดความทุกข์แต่ก่อนนี้เราเข้าใจแต่ว่าถ้าเราจะลดความทุกข์เราก็ต้องบำเรอความต้องการ เราต้องการลดความทุกข์เราก็บำเรอความต้องการแล้วเรียกผลของการบำเรอความต้องการว่าสุขได้สมใจในความต้องการความอยากความปรารถนาเรียกมันว่าสุขชีวิตของเรามีเป้าหมายอย่างนั้นในปุถุชนลดความทุกข์โดยวิธีการบำเรอความต้องการนี่เป็นเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ ปุตุชนทั้งหลายแหลรู้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็รู้เรื่องนี้เหมือนๆกันเพราะฉะนั้นคนกัตสัตว์เดรัจฉานที่มีแนวคิดเท่านี้คนก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานเท่าไหร่แต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐจริงๆเรียนรู้ตัวสำคัญตัวนี้ว่าเป็นตัวลวงสุขโลกียสุขอย่างเนี้ยโลกียสุขที่เสพสมบาเรอกิเลสเนี่ยมันเป็นความลวงมันเป็นอุปทาน มันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมันไม่ใช่รสอร่อยที่จริงรสสนุกเพลิดเพลินหรือรสที่เรียกมันสรุปแล้วว่าสุขเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสรู้ทุกเท่านั้นไม่ได้กล่าวว่าตรัสรู้ความสุขประสบความสุขสูงสุดท่านก็ไม่ตรัสเป็นแต่เพียงเอาคํามาเรียกลําลองเท่านั้นเองจะเรียกว่านิพพานังปรามังสุขขัง จะเรียกว่าวูปสมโมสดุกอะไรโลหรือว่าแม้แต่คำว่าโลกุตระสุขอะไรก็เรียกลําลองไปเท่านั้นเองไม่ใช่คาที่มาเรียกตั้งเป็นคําทฤษฎีหรือว่าเป็นคําที่อยู่ในอยู่ในสูตรอยู่ในทฤษฎีหลักคําว่าสุขไม่มีมีแต่ทุกสมุทยัยทุกสมุทยัยทุกนิโรธทุกนิโทธทขาไม่มีปฏิปทา นั่นเป็นสูตรใหญ่สูตรหลักอริยสัจสี่ถ้าเอาตัวปฏิบัติก็คือมรรคองแปดในอริยสัจข้อที่สีแล้วตัวปฏิบัติลงไปนี่แหละทำอย่างไรเราจะลึกซึ้งในตัวสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะรู้ละเอียดในสิ่งเหล่านี้ของมนุษย์และเราก็มีจิตปัญญาที่เร็วไว แ ข, ขแข็งแรงที่จะปฏิบัติไปพร้อมๆกันก็มีพฤติกรรมการคิดการพูดการกระทำและงานทั้งหมดที่ประกอบกับวัตถุและหมู่ชนประกอบกับวัตถุและหมู่ชนด้วยงานการนี้ประกอบกับวัตถุและหมู่ชนเราจะรู้เท่าทันอย่างไรรู้ละเอียดละออมมีความเข้าใจอะไรลึกซึ้งแล้วก็มาจัดแจงหรือมาปรับปรุง ให้งานนั้นมีคุณค่าประโยชน์คำว่าคุณค่าประโยชน์อาตมาก็สาธยายกับพวกเราตามที่อาตมาคิดว่าอาตมาเข้าใจในสัจจะคือคุณค่าประโยชน์ก็คือเราได้เสสละได้ให้แม้แต่การแลกเปลี่ยนค่าของมันแลกเปลี่ยนมาเป็นเดี๋ยวนี้ก็ตีราคาเป็นเงินสมัยก่อนแลกเปลี่ยนกันวัตถุแลกวัตถุลาบแลกลาบของแลกของค้าขายกันก็ไม่ ไม่ไม่ไ ม, ไม่เป็นตัวเงินอะไรกันจัดจ้านอะไรเหมือนสมัยนี้สมัยนี้จัดจ้านที่สุดในเรื่องไอ้ตัวแทนที่เรียกว่าเงินทองที่เรียกว่าไอ้แบงก์โนดเนี่ยธนบัตรเนี่ยไอ้กระดาษที่ไปพิมพ์เป็นตัวเลขค่าของมันไวเนน้เนี่ยธนบัตรเนี่ยไม่จะเป็นเหรียญที่ไปเอาโลหะมาทำอะไรก็ตามใจเถอะก็พิมพ์ตัวเลขมันไว้เป็นราคาค่า แทนค่าของอะไรก็แล้วแต่ค่าของคุณประโยชน์ค่าของแรงงานค่าของวัตถุค่าของความดีงามค่าของอะไรก็แล้วแต่เอาเงินพวกนี้มาเป็นค่าวัดเสร็จแล้วก็เอามาทดแทนแล้วก็ได้สิ่งเหล่านี้มาไว้เข้าใจกันทั่วทุกคนเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นคือราคาคือค่าของอะไรทุกอย่างและก็หลงหลายได้ปลื้มกับค่าพวกนี้กัน หาวิธีการที่จะดูดหรือว่าจะเอาเปรียบเอารัดกอบโกยเอาสิ่งที่ทดแทนค่านี่มาไว้แก่ตัวเองให้มากๆเสร็จแล้วก็แปรรูปไปเป็นอะไรอะไรเอาไว้ถ้าอะไรที่มันจะรักษาค่าเขามันได้นานเช่นเพชรเช่นทองอะไรเป็นต้นที่เป็นวัตถุที่หายากก็เอามาตีราคากันไม่แพงๆหรืออะไรที่คนนิยมก็มีการตีราคากันไม่แพงๆก็ไปซื้อสิ่งเหล่านั้นมาไว้ทดแทน ถ้าเพราะว่าจะมีแต่ตัวธนบัตรแบบอย่างเดียวมันก็จะดูร่ำรวยแต่ธนบัตรก็ถูกตูก่ว่าอีกเหมือนกันอะไรมีรายละเอียดอีกเยอะอาตมาไม่ขยายความต่อเรื่องพวกนี้นะซึ่งมันเป็นเรื่องที่คนหลงไหลที่ไม่เข้าใจจนกระทั่งกลายเป็นคนไร้ค่าเพราะลหลงไหลสิ่งเหล่านี้แล้วไปเอาเปรียบรัฐเข้ามาเอาคืนมาหมดจนกระทั่งตัวเองกอบโกยเอาไว้ไม่มีค่าแลวยังแถม เอาเปรียบเอารัดเป็นคนไร้ค่าไม่พอยังเป็นคนที่ขูดรีดประโยชน์คุณค่ามาให้แก่ตัวเองอย่างช่อชนขี้โกงทุจริตอกุศลซ้ำซ้อนลงไปอีกเมื่อกับคนที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้ในสังคมทุนนิยมเนี่ยพวกที่ทำงานบอกว่าตัวเองประสบผลสำเร็จนี่อัตมาตราหน้าได้ทุกคนเลยคนที่ได้รายได้หรือว่าได้สิ่งแลกเปลี่ยนกลับคืนมาเป็นเงินเป็นทอง เป็นธนบัตรนี่แหละได้แรกไปกับคืนมาได้ค่าตัวหรือค่าผลผลิตของตัวเองยิ่งสูงเท่าไหร่โลกทางทุนนิยมก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จเป็นคุณค่าที่สูงจริงแต่ทางธรรมที่อาตมาบรรยายพวกเราฟังมันยิ่งแสดงให้เห็นว่าคุณยิ่งเลวไรยนอกจากหมดค่าแล้วก็เป็นคนปล้นเอาประโยชน์ปล้นเอาความได้เปรียบ ของคนอื่นๆเข้ามาให้แกตนเองหนักไปอีกซึ่งมันกลับกันเลยกับท้งโลกเขานิยมมันจึงทวนกระแสกันเหลือกเกินอาตมาพูดกับพวกเรามาถึงวันนี้พวกคุณก็คงฟังกันได้แต่คนข้างนอกเขาฟังหลายคนก็อาจจะไม่รู้เรื่องเลยเข้าใจไม่ได้นี่มันอะไรกันคนทั้งโลกเขาทากันอยู่อย่างนี้ เรามาพูดแหกคอกอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยเขาเขาจะว่าบ้าเขาให้เท่านั้นแหละแต่อัตมาว่ามันไม่บ้าหรอกพวกเรามันบ้าพร้อมกันเป็นหมวดเป็นหมู่มีทฤษฎีมีหลักเกณฑ์มีเหตุมีผลนี่มันบ้ากันไม่ได้หรอกนะบ้ากันอย่างเงี้ยมันบ้าบ้าไม่ใช่บ้าเมาไม่ใช่บ้าไม่มีพวกไม่มีหมู่บ้านี่มันคือคนที่อยู่ในภพของตัวเองที่คนอื่นจะร่วมรู้อะไรกับตัวเองไม่ได้นะบ้า แล้ตัวเองก็เมางมงายกับตัวเองแล้วก็ไม่รับรู้ข้างนอกเขาเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ทางทำเนี่ยรู้ของเขาเอาเปรียบเอารักอย่างไรก็เข้าใจด้วยซ้ําเขายิ่งแรงร้ายยิ่งเลวร้ายยังไงยังไงเราก็กลับรู้ด้วยซ้ําไม่ใช่เราไม่รู้แล้วเราก็ยิ่งเห็นว่าสิ่งนี้น่าเกลียดน่าชังสิ่งนี้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีไม่น่าได้แล้วเราก็เลิกมาเลิกมาอย่างเด็ดขาดได้เท่าใดก็ยิ่งจริงเท่านั้น แล้วเราก็มาพิสูจน์ว่าถ้าเราจะเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์มันคืออย่างไรเราจะมีคุณค่าประโยชน์คืออย่างที่เรามันยิ่งมาเป็นคนเหมือนกับโลกเขาเป็นเราก็เข้าใจซ้อนเราจะเป็นคนมีความขยันเราจะเป็นคนมีความสามารถเราจะเป็นคนมีความรู้เราจะเป็นคนอดทน แ, แต่แตละวันแต่ละเวลาเราก็ใช้เวลานั้นสร้างสรรค์ด้ความสามารถ ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเอาใจใส่มีอิทธิบาทอดทนแล้วก็ทํางานสร้างสารรค์ขึ้นมาจริงวิธีการที่จะให้ประโยชน์คุณค่ามันมีมากก็คือเราได้เสียสละได้ให้แก่ผู้ที่ควรให้ถ้าให้คนที่ไม่ควรให้ประโยชน์ก็จะลดถอยลงให้แก่คนโลภโมโทสันผลานพล่าทําลายจะ่ไปให้เงินกับพวกติดยาฝิ่นกินเหล้าสมทะเลเทเมาอบายมุกนี้เป็นต้น เอาให้มันโดยไม่มีประมาณมันก็ผลานทําลายเท่านั้นเองไม่เกิดประโยชน์คุณค่าอะไรต่อสูญเสียเปล่าเราก็โง่เง่ า, งาเพราะเราจะให้ก็ให้แค่คนที่ควรถ้าให้กับคนยิ่งมีคุณค่ามีประโยชน์ให้ไปแล้วอู้ท่านยิ่งไปทําประโยชน์คุณค่าได้เจริญงอ ง, งามซ้อนเชิงขึ้นไปยิ่งกว่าเรา เราเองเราได้มีทุนร้อนเท่านี้ถ้าเรามีทุนร้อนเท่านี้เราก็จะทําความเจริญได้เท่านี้สร้างสรรค์ได้เท่านี้เป็นประโยชน์ต่อคนได้เท่านี้แต่ถ้าให้ท่านผู้นี้ไปท่านผู้นี้เอาไปทําจะได้ประโยชน์ซับซ้อนลึกซึ้งมากมายเป็นคุณค่าซ้อนลงไปอีกมากยิ่งกว่าเราก็จะต้องรู้แล้วก็ต้องทําจะแจกจ่ายจะให้หรือว่าจะไม่ทําเองถ้าจะให้ให้กับคนอย่างนี้แหละดีกว่า หรือว่าชะลอให้แก่เขาเพื่อที่จะพัฒนาเขาจะสร้างเขาให้มีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ให้เขามาศึกษาฝึกฝนให้แก่คนขนาดนี้ให้ขนาดไหนให้ประมาณเท่าใดถึงจะพอเหมาะเขาเขาจะไม่คีโรบซ้ำซ้อนจิตยิ่งตกตำ่ำให้เท่านี้ให้พอได้ขัดเกลาไม่ต้องมากนักประมาณอย่างถูกต้องถ้าให้กับผู้ที่ ท่านเจริญสูงส่งและเป็นพระอาหารขึ้นไปอะไรอย่างี้เป็นต้นไม่ต้องไปกังวลแล้วมีเท่าไหร่ก็หอบให้ท่านได้เพราะท่านก็เอาไปทําประโยชน์ได้ทันทีส่วนเราจะต้องคํานวณว่าให้ผู้นี้ผู้นี้แล้วเราจะต้องดูแลให้ไปแล้วนี่เขาไม่เอาเงินนี้ไปสร้างสรรค์ได้มากเท่าไหร่หรอกไม่เหมือนกับผู้ที่เจริญผู้ที่ทรงภูมิอย่างที่ว่าถ้าให้เขาไปมากไปกลับกลายเป็นขี้โลภเห็นแก่ตัวมากง่าย ขี่เกียรซ้ําซ้อนกันไปอีกหรือไม่ก็ไปบําเรอตนตามที่กินเล็ของตัวเองมีอ่ามันมีเงินมีอะไรในมือง่ายๆมากๆเขามันก็แอบไปบําเรอตนเข้าไปแม้จะบวชเป็นพระแล้วก็ตามให้เงินไปมากๆ ก, ก็ไปแอบเอาเงินเหล่านี้เราไปทําเลวทํำร้ายหนักเข้าก็ฮะบาเรอตนหนักหนักกินเล็เข้าหนักก็ต้องศึกเสร็จแล้วก็มีสิทธิ์ในเงินเหล่านั้น แล้วก็เอาเงินเหล่านั้นไปบำเรอตนต่อไปทำเวรทำภัยอะไรต่อแล้วกลายเป็นบาปลดละในความเห็นแก่ตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นลาบยศเกียรติสรจเริญเยินยอหรือแม้แต่ความสุขความสุขในรูปรสกินเสียงสัมผัสความสุขในพบในเพราะว่ตัณหาต่างๆแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ลดละลงมา เป็นคนที่ไม่บำเรอตนได้มาเรื่อยๆรืๆๆแล้วก็เสียสละพิสูจน์ตัวเองซึงว่าเราไม่ติดพบอยู่ว่าง ๆ, ๆ, ๆเฉยๆเปล่าๆไดๆเพราะเราเป็นคนเหมือนกระจกคนคนนี่เหมือนจักรกลมีสมรรถภาพสูงได้อีกพัฒนาได้สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ํามีความรู้มีความชํานาญมีความเก่งความสามารถแล้วเราก็สร้างสรรค์ มันเวลาแต่ละวันแต่ละวันประเดี๋ยวก็กลางคืนประเดี๋ยก็กลางวันประเดี๋ยก็กลางคืนกลางวันแล้วมีเวลามีพักผ่อนแล้วก็มีการทํางานมีการขยันสร้างสรรค์ไปตามวาระมันก็เป็นระบบเข้ามาในตัวอยู่เราก็ฝึกฝนเรียนรู้กันแล้วก็สร้างสรรค์ทํากันมามาถึงวันนี้แล้วมันก็มีระบบอะไรขึ้นมากันพอสมควรวันวันคืนคืนพวกเราตื่นเจ้าขึ้นมาก็มีกิจวัตรมีตารางของการเป็นอยู่ ตื่นเวลาเท่านั้นมีการศึกษามีการอบรมมีการตกลงนัดแนะมีการแจกย้ายกันไปสร้างสันทำงานไปมีการพักผ่อนแม้แต่ที่สุดมีการบันเทิงบ้างพอสมควรเพราะคนมีหลายฐานะผู้ที่จะใช้การบันเทิงเหล่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นแบบฝึกหัดในการปฏิบัติธรรมก็ยังได้ด้วยเข้าใจว่าการบันเทิงนี้ ถ้ามีไปแล้วมันจะขัดเกลาเราหรือว่ามันจะทำให้เราตกต่ำเราก็คำนวณเอาไว้ประมาณไว้จัดจ้านเกินไปมากเกินไปพวกเราสู้ไม่ได้หรือไม่สมควรที่จะมีเราก็ไม่ทำทำขนาดนี้เป็นขนาดพอเหมาะที่จะเกิดการพัฒนาทั้งตัวเราทั้งพัฒนาหรือว่าอนุลนโลมปฏิโลมก็สําหรับผู้ที่ยังจะต้องอาศัยบ้างที่เราใช้ภาษาง่า ย, ายๆเราก็ ให้คลายเครียดหรือว่าปล่อยเปรตบ้างอะไรงี้เป็นตน้นก็พอสมควรแล้วก็แนะนําสั่งสอนกันให้สงัสงวรสํารวมเรียนรู้เราก็ได้อะไรกันขึ้นมาแล้วมันก็จะขยายวงกว้างขึ้นไปอีกมีสภาพที่คัดขัดเกลาลมีสภาพที่เป็นข้อสอบซ้อนข้อสอบซ้อนคัดเลือกผู้ที่จะผ่านเข้ามาอยู่ในตัวจะไม่เฮล โ, ลโลฮอะเละกันเกินขนาดหย่ เมตตามไม่มีประมาณหรือว่าต้องการมวลมากโดยไม่มีมาตรการอะไรไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยเราก็ไม่มักง่ายอย่างนั้นแหละเราก็ต้องพยายามช่วยกันะดูแลแล้วก็กําหนดสภาพต่างๆที่มันจะเป็นวิธีการหรือมาตรการในการที่จะทําให้มันเกิดความสมดุลหรือความเป็นมัตชิมาความอยู่ยังได้สัสดส่วนที่จะเกิดความเจริญกันต่อๆไปอย่างยืนนาน และเป็นการรังสรรค์ให้มนุษย์เราเนี่ยเจริญขึ้นได้อย่างดีนในประเด็นที่อาตมาหยิบมาพูดกับพวกเรามากได้กำลังจะประกาศออกไปกับสังคมแม้แต่ในสังคมของพุทธทั่วโลกไม่ใช่สังคมของพุทธแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็คือจุดของความหมายของศาสนาพุธทธเทตมาขอยืนยันว่าเป็นศาสนาเพื่อมนุษยชาติแม้จะละลดกิเลส ของตัวเองของตัวคนแต่ละคนแต่ละคนก็ตามก็ไม่ใช่การเจาะช่องน้อยแต่พอตัวเหมือนรัติลือีเดรธีเยอะแยะที่เขาเป็นไปกันอยู่ขอยืนยันว่าไม่ใช่จุดนี้เลยเป็นจุดที่คนเข้าใจได้ยากเพราะมันมันเข้าใจว่าการพ้นทุกข์หรือว่าการเห็นแก่ตัวไม่ได้ง่ายๆทุกข์ในรู้ได้ยากการเห็นแก่ตัวก็ไม่รู้ได้ง่าย มันจะเห็นแก่ตัวโดยพบเป็นภาวะตัณหาและเรื่องของวิภาวะตัณหาด้วยแล้วในาศาสนาพุทธเท่านั้นที่มีขอยืนยันทุกวันนี้เข้าใจาศาสนาพุทธในพุทธมามณ์กาทั่วไปเขาตามยังไม่ได้เข้าใจวิภาวะตัณหาไม่ถูกต้องแม้แต่ในพวกเราเนี่ยอัตมาก็บรรยายมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอัตมาก็เชื่อว่ายังเข้าใจยังไม่สมบูรณ์หรอกวิภวะตันหานี้ แม้อตมาจะพยายามเรียกเป็นตันหาอุดมการณ์ก็เข้าใจไปในระดับหนึ่งและเป็นลักษณะอย่างไรอย่างไรไปแล้วเราจะวางอย่างไรจะละอย่างไรและจะต้องใช้มันหรือไม่ขอยืนยันว่าวิปวะตันหาในเป็นตันหาที่ต้องใช้และคนต้องมีตันหานี้แม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีตันหานี้แต่เราไม่เรียกว่าตันหากันเท่านั้นมันหนักเกลียดมันภาษาซ้อนคํานะอตมาจะลอง เรียบเรียงภาษานะถ้าพูดแล้วมันก็จะวกวนมันก็จะซ้ําซ้อนไปมาแต่ค่อยขยายเวลาวกวนก็วอกวนซ้ําซ้อนก็ซับซ้อนแต่เวลาเรียบเรียงคําก็เรียบเรียงนะให้เห็นความแตกต่างของจุดเด่นของศาสนาพุทธในเรื่องของความแตกต่างของศาสนาที่เป็นฤๅษีก็ดีหรือเป็นคนที่ทําประโยชน์ต่อมนุษย์โลกแต่ไม่รู้จักวิภวะตันหาเขาก็เลยกลายเป็นคนมีภาะวะตันหานั่นแหละสูงยิ่ง ไม่ใช่วิภาวะตันหาด้วยซ้ํามีภาวะตันหาสูงยิ่งแต่เป็นภวะตันหาในระดับกัลยาณนะ์จะเรียกว่ากัลยาณ์ภาวะตันหาก็เป็นภาษาที่อาตมาพูดขึ้นมาเองนะในพระไตรปิฎก ด, ดูมันไม่มีหรอกนะมันเป็นภาวะตันหาที่มีการวินิจฉัยมีการวิจัยวิเคราะห์ให้มันเป็น พราวะตันหาอย่างดีแต่ไม่ใช่โลกุตระไม่ใช่เรื่องของการไม่ติดยึดหรือการลดละซ้อนเชิงที่ลึกซึ่งเป็นสภาพมล ร, รับเชิงซ้อนอย่างสูงในลัทธิของพุทธเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะมันมีแต่จะให้ภาวะตันหาสูงขึ้นซึ่งก็เป็นประโยชน์ของโลกเหมือนกันแต่มันเป็นพบอีกชนิดหนึ่งและที่มันไม่ชัดก็คือ มันไม่ได้สามารถลดละโลกธรรมไปสมบูรณ์มันไม่ได้สามารถลดละกามมาพบไปได้สมบูรณ์เพราะมันยังมีซ้อนกามมาพบอยู่ข้างในมันไม่คือกามมาพบนี่ก็เป็นตัวตนอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะมีเป็นราคะที่ซ่อนลงไปเป็นรูปราคะอรูปราคะซ้อนเข้าไปอีกถ้าไม่ละภาะวะตัณหาหรืออัตตามานนะได้ถูกสัสดส่วน มันจะไม่มีญาณที่จะยั่งเข้าไปรู้ในสภาพรูปราคะอรูปราคะหรือราคะในระดับอย่างโลกโลกนี่แหละเสพสมนี่แหละเป็นรสอร่อยนี่แหละซ้อนลึกเข้าไปอีกมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะอลองฟังดูความแตกต่างดูนะาศาสนาพุทธเรานี่มีถอนอาสวะนะสิ้นอาสวะก็ถือว่าเป็นพระ อ, อรหันต์แต่ตมาจะไม่ใช้คําว่าสิ้นตัณหา คำว่าสิ้นตัณหาเป็นภาษาเรียกได้เหมือนกันว่าสิ้นตัณหาเป็นภาษาแต่โดยสภาวะมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ได้สิน้นเป็นพระอรหันตก็ไม่ได้สิ้นสภาวะที่เรียกว่าอาการอย่างตัณหาซึ่งภาษาบาลีเขาเรียกคําว่าอากังขะหรืออิจฉาอิจฉาเป็นความปรารถนาเป็นความประสงค์เป็นความต้องการเป็นความมุ่งมา่ปรารถนาอยากใครนี่แหละเป็นอาการของจิต อาการเดียวกันกับตัณหานะี่ยแต่เป็นเพียงใช้ภาษาไม่ให้มันซ้ําคำเท่านั้นเองเพราะงั้นอาตมาเรียกว่าตัณหามันก็ไม่ได้ผิดกับอาการเดียวกันของจิตนี่หรอกพระอาหารหันตมีตัวนี้นะไม่ใช่ไม่มีแต่ถ้าละอาสวะที่เป็นตัวตนแล้วท่านไม่ได้มีตัณหามาเพื่ออาสวะหรือเพื่อสักกายะหรือเพื่ออัตตาพระอาหารหันทุกรูป ท่านยังมีความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมากปรารถนามีความต้องการมีความอยากทำงานสร้างสรรค์อยากได้ก็เรียกได้อยากได้อยากมีอยากเป็นก็เรียกได้แต่ไม่เคยได้อยากได้อยากมีอยากเป็นมาบำเรอตนท่านหมดอัตตาหมดถึงขนาดอาสวะเนี่ยส ก, กายะนี่เป็นตัวตนที่ใหญ่อัตตาตัวตนขนาดรองมาหรือเรียกรวมอัตตาเนี่ยเรียกรวมหมดก็ได้รองลงมา ส่วนอาสะวะนี่คือตัวตนที่ลึกซึ้งเล็กละเอียดแล้ละพระเจ้าท่านถอนตัวตนถอนอาสะวะหมดสิน้นแต่ท่านยังมีความปรารถนาอยากใครมุ่ง ม, มา่อย่างเก่งด้วยแข็งแรงด้วยแต่ไม่ได้เพื่อตัวตนฟังความนี้ดีๆฟังออกไหมนี่นัยนี้ไม่ใช่ในัยที่จะรู้กันง่ายๆนย เพราะฉะนั้นคนของพระพุทธเจ้านี่เป็นพระอาหารหันต์นี่จึงมีคุณค่าต่อมนุษย์โลกเพราะเพื่อผู้อื่นท่านหมดตัวตนไม่ได้ทำมาเพื่อตัวตัวเองการกินการอยู่การหลับการนอนการมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่ได้ติดรสรสอร่อยแบบโลกที่ต้องมาบมเรอแล้วเพราะฉะนั้น ก, กินก็กินเพื่อให้มันมีพลังงานให้รักษาขันนี้ไว้อย่างดีนุ่งห่มก็นุ่งห่มไว้เพื่อพอสมควรนะ ทุกวันนี้มันต้องการอุจาร์ดด้วยกับนุ่งห่มเพื่อ ก, กันอุจารกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรบ้างที่อยู่อาศัยที่พักที่หลับที่นอนก็พออาศัยพอพักพอหลับพอนอนอย่างสบายง่ายๆทุกๆและท่านก็นลดลงมาให้จกนกระทั่งท่านไม่มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้แล้วน้อยได้น้อยได้ถึงขนาดที่ว่าน้อยอย่างไม่ทําลายหรือว่ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแล้ว พระยันทัตจึงเป็นคนไม่เปลืองอะไรจะไปเอาอะไรมาบําเบลอีก ม, มันก็ไม่เปลืองอะไรแล้วก็เป็นเครื่องกลโรืเป็นแรงงานสร้างสรรค์ที่มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะสูงทําเพื่อโลกเพื่อสังคมโลกจึงได้รับกําไรหรือได้รับประโยชน์ได้รับคุณค่าจากพระอริยเจ้าของพุทธอย่างนี้แหละซึ่งต่างกับฤษีต่างกับเดรธีซึ่งเป็นลัทธิที่ ยิ่งไม่เขา้าท่าทางฤาษีป่าไม่เข้าท่าถ้าฤาษีกรุงก็ยังพอมีรูปธรรมว่าเหมือนก็ได้ประโยชน์แต่เสร็จแล้วถ้าเผื่อว่าเป็นฤาษีกรุงหรือว่าบัณฑิตที่เป็นจอมโจรบัณฑิตแล้วลวก็ซับซ้อนกอบโกยโดยวิธีการเหมือนให้เขาเอามาทําทานให้เขาเอามาทําบุญให้แกะตัวเองตัวเองก็ามาเอาบําเรอตนในชีวิตที่อยากได้อะไรบําเรอตนไดยอยนน้อย่างนั้นอย่างนี้ทําไปโดยซ้อนเชิง ไม่รู้เท่าทันคุณก็ไม่รู้อะแต่ถ้าคุณรู้เท่าทันคุณจะเห็นได้เลยว่าฤาษีกรุงหรือว่าคนเมืองก็เป็นฤาษีซับซ้อนที่บัมเรินตนอยู่อย่างที่คนไล่ไม่ได้จับไม่ทันก็ไม่รู้เท่าทันเขานะความแตกต่างของอผู้มีาศาสนาพุทธนะพุทธจะมีญาณมีญาณมีญาณรู้ รู้ในยะที่อาตมาอธิบายไปนี่แหละแม้ว่าสิ้นอาสวะแล้วเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนหมดความปรารถนาดีไปด้วยทันทีไม่ใช่เพราะอาหารหันต์ไม่ได้หมดความปรารถนาแล้วก็เป็นความปรารถนาดีด้วยมีเงื่อนไขเอาไว้ด้วยปรารถนาชั่วปรารถนาร้ายไม่มีนะปรารถนาดีไม่ใช่ว่าพอหมดอาสวะแล้วก็จะหมดความปรารถนาไม่อยากอะไรไม่ปรารถนาอะไรไม่ใช่ จะหมดไปด้วยทันทีเมื่อเป็นพระอาหารหันต์หมดอาสวะดับอาสวะสิ้นไม่ใช่จะไม่ใช่คนที่ไม่ปรารถนาปรารถนาหรือหมดวิภวตัณหาแบบเทนตรงพาซื่อเขาไม่ใชนะ่ความเป็นพุทธนั้นกับความเป็นเดรธีหรือฤษีเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนที่สุดก็ตรงนี้กล่าวคือผู้บรรลุธรรมของพุทธนั้นยิ่งบรรลุ ยิ่งมีภูมิสูงขึ้นสูงขึ้นก็ยิ่งจะข ย, ยันยิ่งแข็งขันในการงานนะพระบาลีก็เรียกว่าวิริยารำพะยิ่งสร้างสรรยิ่งเสียสละแรงงานความรอบรู้ช่วยสังคมช่วยโลกพระบาลีก็เรียกว่าโลกานุกรรมปายะยิ่งมีความขนขวายกระตือรือร้นช่วยเหลือ มีการยุ่งกับงา น, นายิ่งเป็นพระอรหานันต์เน่ยิ่งมีการยุ่งกับงานหรือว่ายิ่งมีความขนขวายจะเป็นคนขนขวายอยู่เรื่อยกระตือรือร้นเป็นคนกระปรกระเปร่าช่วยเหลือสร้างสรรค์อยู่เสมอหรือมีการยุ่งกับงา น, นายิ่งบรรลุ ก, ก็ยิ่งจะเป็นคนอย่างนี้เรียกว่าวยาวัจจะหรือที่ท่านเอาไปตั้งเรียกบุญกิยาวัตถุอันหนึ่งคือวยาวัจจไมนั่นแหละวยาวัจจะ ยิ่งมีประสิทธิภาพนะผู้บรรลุอรหันต์หรือผริยะสูงขึ้นสูงขึ้ น, นยิ่งจะมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลมีความร่าเริงยินดีนะหรือมีความร่าเริงเบิกบานในการงานไม่จะเห็นการงานแล้วก็เศร้าแห้งเหี่ยวขี้เกียจเบือ่ออะไรไม่ใช่ยิ่งเป็นคนมีความร่าเริงเบิกบานมีความมีประสิทธิภาพมีอิทธิพล มีความยินดีกับการงานเหล่านั้นเรียกว่าอิทธิบาทสี่ยิ่งเป็นคนมีอิทธิบาทสี่เป็นพระอริยะยิ่งมีความมุ่งมา่ปรารถนามีความต้องการมีความอยากได้เรียกว่าอากังขะหรืออิจฉาหรือจะเรียกว่าอากังขาหรืออิจฉาก็ได้ไม่ใช่อิจสานะอิจฉาภาษาบาลีคำนี้แปลว่าความปรารถนาแปลว่าความต้องการนะ หรือเรียกเต็มๆคำก็ว่ามีวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหายิ่งสูงส่งบริสุทธิ์เป็นตัณหาบริสุทธิ์เป็นความอยากที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความอยากเป็นความอยากหรือความต้องการที่เป็นอกุศลไม่ใช่เป็นความอยากที่บริสุทธิ์เป็นความอยากที่ปราศจากตัวตนเป็นความอยากที่ไม่ได้มาบำเิดตน นะเป็นวิภาวะตัณหาที่ยิ่งสูงท่งบริสุทธิ์แรงกล้านะซึ่งเป็นธรรมดาของอาการทางจิตในคนผู้ประเสริฐนะ่เรียกว่าอาริยะหรืออริยะเนี่ยที่เรียกมาเก่าที่ยังไม่ตายหรือยังไม่ปรินิพานจิตย่อมยังมีวิสยัยมีนิสยัยยังมีการดำเนินไป ภาษาบาลีว่าอวจรจิตย่อมยังมีที่ไปหรือยังเป็นยังไปต่ออยู่ภาษาบาลีว่าคติเพราะงั้นพระอริยนี่จิตของท่านยังมีอวจรจิตของท่านยังมีคติทายท่านยังไม่ปรินิพานหรือว่ายังไม่ตายจิตของท่านยังมีการงานพวกนี้อยู่ยังมีบทบาทลีลายังมีปฏิกริยายังมีความเป็นยังมีคติยังมีอวจร พฤติกรรมของจิตหรืออาการที่ยังเป็นยังไปต่ออยู่ของจิตผู้ประเสริฐนี้ก็ล้วนคือบทบาทของวิริยารำพระโลกานุกรมปายะวยาวัจจะอิทิบาท4อากังขาวจรอิจฉาวจรหรือวิภวตัณหาที่เป็นสุขติหรือที่ยังดําเนินไปแต่ทางดีอยู่นั่นเอง ตราบที่ยังไม่ตายถึงขั้นปรินิพานเป็นที่สุดเพราะแม้จะขนขวายก่อคุณค่าประโยชน์ใดๆต่อไปแค่ใดท่านก็ไม่หลงยึดในะวงเล็บคือหมดอุปทานท่านก็ไม่หลงยึดอยู่ในใจจนเป็นตัวตนได้แล้ว ท่านจะมีนะท่านจะมีความค้นคว้าท่านจะก่อประโยชน์คุณค่าอะไรจะขยันอะไรยังไงท่านก็ไม่ได้ติดยึดเป็นอุปทานท่านหมดอุปทานแล้วอยู่ในใจของตนได้นะไม่ลงยึดว่าเป็นของตนนะเป็นตนนะั่นคืออัตตาเป็นของตนนะี่คืออัตตนิญาไม่ลงยึดว่าเป็นของตนได้แล้วในใจสมบูรณ์จริงจิตนะจึงเป็นจิตที่ทําให้สะอาดจริงของพูดถึง ภูมิจริงเพราะในความหมายที่ว่าท่านขนขวายคือสิส่งที่ท่านขนขวายเนี่ยท่านจะขนขวายในสิ่งที่ดีสิ่งใดไม่ดีไม่เป็นคุณค่าไม่เป็นประโยชน์ท่านจะไม่ทําแล้วพระอาหารหันต์เจ้าเนี่ยสิ่งใดที่ท่านมีใจบริสุทธิ์ท่านมีตัววิจัยเลือกเฟ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วถ้ารู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีไม่เป็นคุณค่าไม่เป็นประโยชน์ ท่านไม่ทําแล้วเรียกว่าสัพพปาปัสะอาการะนังคือทําไม่ทําแล้วสิ่งไม่ดีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณค่าหรือสิ่งที่เป็นบาปไม่ทํอาอการะนังนั่นคือท่านมีน้ําใจอยู่เสมอที่จะกอบก่อให้ถึงดีให้ดีพร้อมเพราะจิตใจของท่านจะมีบทบาทอยู่เสมอมีน้ําใจอยู่เสมอที่จะกอบก่อให้ถึงดีให้ดีพร้อมเรียกว่ากุศลสูปปะสัมปทา อีกเป็นจิตของพระอาหารหันต์จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในลักษณะที่จิตของท่านหมดอุปทานก็ดีนะในใจของท่านไม่มีอัตตาหรือไม่หลงยึดเป็นของตนไม่มีอัตนิยาแล้วก็ดีจึงเป็นจิตที่ทําให้สะอาดจริงของพูดถึงภูมิจริงได้แล้วเรียกว่าสกิจ ต, ตปรโยทะปนังเป็นจิตสะอาดเพราะจิตพระอาหารหันต์จะสะอาดแต่ไม่ทํา ชั่วไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ทําสิ่งที่เป็นไม่เป็นคุณค่าไม่ทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ยังกุศลให้ถึงพร้อมเป็นจิตใจที่มีความมีน้ําใจอยู่เสมอเสมอที่จะกรอบกอ่อที่จะทําอะไรที่ดีนั่นๆไปอยู่เรื่อยเพราะจิตขุงท่านจึงมีอาการจะพูดว่าอาการขาวจรหรือมีคติหรือมี อ, มอวจอัจรอยู่จริงเป็นไปอยู่จริงเพระาะฉะนั้นพูดที่ทํางาน ได้แม้กระทั่งตอนนอนเหมือนพระพุทธเจ้าตอนนอนท่านก็ยังมีอวจรมีความเป็นไปสอนเทวดาพระพุทธเจ้านะพระอรหันต์บางรูปเวลาพักท่าทันทําประมาณของท่านได้ดีเวลานอนพักท่านก็มีอวจรไม่พักอย่างดับไม่พักอย่างไม่จิตไม่ทํางานอะไรพักอย่างหยุดเลยไม่พักแม้พระอรหันต์ก็ยังมีจิตอวจรยัง นึกคิดจะเรียกว่าสอนเทวดาหรือจะเรียกว่าทำงานที่เป็นการปรุงงานคิดค้นงานหรือว่าทำงานอะไรในจิตก็มีเหมือนกันพระอาหารหันต์เจ้าแน่นอนป่วยการกล่าวไปไนเวลาตื่นอยู่เวลาตื่นอยู่ย่อมเป็นเวลาแห่งการงานแน่นอนส่วน เ, นเวลาเวลาพักมากที่สุดก็ตอนนอนหลับพระพุทธท่านมีพลังงาน จนกระทั่งสามารถที่จะทำงานแม้ในตอนหลับได้ด้วยอย่างพระพุทธเจ้าที่ยกตัวอย่างแล้วหรือพระอรหันต์เจ้าบางรูป ท, ท่านพอที่จะทำงานได้ในขณะนอนหลับก็มีอวจรจิตอยู่มีการงานเหล่านี้อยู่มีสุขติมีความดำเนินไปอย่างดีมีสุขติหรือมีอากังขวจรอากังขวจรในเรื่องที่เป็นอากังขวจรอย่างสัพพะปัสสอาัการังกุศลสุปัสสมบทา สัจิตประโยชน์ะปนังอยู่ในนั้นเสร็จเป็นจิตสะอาดเป็นจิตไม่ได้มีตัวตนเป็นจิตไม่ได้มีของตนแต่เป็นจิตสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลานั่นคือแม้ว่าจะเป็นอาการของวิภวตัณหาซึ่งเป็นเพียงอากังขาววจรหรืออิทธิบาทของพระอริยเจ้าเท่านั้ น, นในความหมายที่ว่าเป็นเพียงอากังขาวจารหรืออิทธิบาทของพระอริยเจ้านี้ ก็เป็นวิพภวตัญหาเป็นอาการของวิพภวตัญหาซึ่งใช้อธิบายหรือขยายความในความหมายของคาว่าวิที่หมายความว่าพิเศษเพราะว่าคำว่าวินี่มันมีความหมายสอ ง, ส, องสภาพสภาพนึงก็คือเป็นสภาพที่พิเศษหรือว่ายิ่งยิ่งขึ้นไปมันเหนือชั้นวิเนี่ยกับแปลว่าไม่ในความหมายของคาว่าไม่ไม่ไมยาง เก่งด้วยไม่ยังวิเศษเหมือนกันไม่ยังเด็ดขาดเหมือนกันนะทีนี้ในสภาพของอากังขาวจรหรือในสภาพของอิทธิบาทหรือจะเรียกโดยภาษาถ้าเราไม่ติดใจในภาษาแล้วเรียกว่าวิภาวตัณหากดตามก็เป็นสภาพยังเป็นไปอยู่เรียกว่าวิที่พิพเศษและไม่ได้ทำไปเพื่อตัวเองด้วยแต่เพื่อเกื้อกูลผู้อื่นโดยแท้นี่ก็คือความวิเศษหรือวิที่แปลว่าพิเศษ ของพระอริยเจ้านะเรียกว่าวิภพวัตถนานี่แหละคือความต้องการที่แบบวิเนี่ยตัณหาก็คือความต้องการด้วยความอยากแบบวิเนี่ยคือแบบพิเศษเนี่ยมันต้องการต้องการอย่างที่ไม่ทําชั่วต้องการอย่างที่ทําแต่ดีต้องการอย่างจิตก็สะอาดบริสุทธิ์ต้องการอย่างชนิดที่ไม่เพื่อตัวเองต้องการก็เพื่อจะเกื้อกูลผู้อื่นโดยแท้แม้กระนั้นก็ตามท่านก็สามารถ วางวิภาวะตันหาน น, นั้นๆได้ด้วยท่านจะมีภาวะตันหานนั้นใช้แล้วท่านก็วางได้ด้วยตันหานั้นจะจะวางเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จึงไม่เหลือภวะตันหาใดๆแม้แต่วิภาวะตันหาติดอยู่อีกเลยไอที่ไม่เหลือนี่แหละวิแปลว่าใหม่คือไม่เหลือไม่เหลือตันหานั้นท่านรู้ตันหานั้นจนหมดเกลี้ยงเอามาใช้ได้ ไม่ติดยิ้ว่าตันหาเป็นของเราจะเป็นของใครก็ตามแต่ท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ตันหานี้ใช้บทบาทนี้ใช้พลังงานอันนี้ใช้ประสิทธิภาพอันนี้ท่านมีสิทธิ์จะใช้ด้วยเพราะมันอยู่ในตัวของท่านมันอยู่ในตัวของท่านท่านสามารถจะใช้มันและท่านก็ไม่หลงว่ามันเป็นเราไม่หลงว่ามันเป็นของเราแต่มีสิทธิ์จะใช้มัน ใช้เสร็จแล้วโยนทิ้งถ้าจะปรินิพานโยนทิ้งจริงๆเลยถ้าไม่ปรินิพานแม้จะนิพานอยู่ในระดับที่ยังมีร่างกายรูปนามขันธ์หน้าก็วางชั่วคราวอย่างนี้เป็นต้นนะหมายความว่าไม่มีตัณหาใดๆเป็นพบเหลืออีกแม้แต่ธุรีละอองหรือไม่เหลือเป็นอาสวะมักดองธุลีละอองใดๆแล้ว ไม่เหลือเป็นอนุสัยนอนเนื่องตกค้างต่ออยู่ในจิตกันจริงๆพระอรหันต์เจ้าจะมียานตรวจได้ว่ามันเหลือค้างอยู่ไหมหรือว่าเราลำลองว่าเป็นเราอย่างลำลองเป็นสมมุติทสัจจะว่าเรายังมีอยู่เรายังไม่แตกสลายยังไม่ตัดขาดกันอย่างสมบูรณ์แบบเป็นปรินิพานพระอรหันต์เจ้าก็จะรู้จักสภาพของสะสัจอะไรไปใจ สัพปะทิเสสนิพานนะท่านก็จะรู้จักสัพปะทิเศสนิพานนะลักษณะของสอัพปะทิเศสนิพานเป็นอย่างไรท่านก็อาศัยนิพานอย่างนั้นนะนี่คือความหมายสองสภาพของคำว่าวิภาวะตัณหานะสภาพหนึ่งที่หมายความว่าพิเศษก็คือวิเศษอย่างยิ่งเพราะเนือสสามันทั้งการมีการเป็น จะมีก็ได้จะเป็นก็ได้แต่ไม่ใช่มีใช่เป็นอย่างเสพรสอย่างติดยึดและไม่ใช่มีอย่างโง่เงาแต่มีอย่างเลือกเฟ้นเอาเฉพาะดีหรือควรแล้วแถมมีได้อย่างเก่งกาจอย่างแข็งแรงสูงส่งด้วยประสิทธิภาพอีกซึ่งเป็นการมีชนิดที่ไม่เหมือนโลกียบุคคลมีกันแล้วเพราะแม้มีอีกเท่าใดเท่าใดก็ไม่หลงสะสมลงเป็น ตัวตนของตนได้จริงส่วนอีกสภาพหนึ่งที่หมายความว่าไม่นั้นก็คือไม่อย่างเก่งอีกเช่นกันเป็นตนว่าไม่มีไม่เป็นอะไรก็ได้ที่ตนจะไม่ให้มีไม่ให้เป็นในจิตคือในจิตของท่านเนี่ยจะไม่ให้มีไม่เป็นอะไรเลยให้อยู่ว่างลื่นดับว่างพักถ้าสามารถดับแบบอสันวี ก็ดับได้ถ้าอราหันต์องค์ไหนท่านอสัญญาได้เขาก็ดับไม่มีอะไรเลยหรือไม่ใช่ดับอสัญญีให้มันว่างอยู่อย่างอากาสานัญจาจตนะวิญญาณานัญญาจตนะคือว่างอยู่อย่างว่างๆลงๆมีวิญญาณแล้วก็มีความว่างความโล่งของ ว, วิญญาณก็อาศัยอยู่ที่ความว่างๆลงๆนั้นก็รู้สึกแต่อยู่ว่างๆลงๆเฉยๆก็ได้นะท่านจะไม่ให้มีไม่ให้เป็นในอย่างนั้นก็ได้โดยเฉพาะ ไม่ให้มีไม่ให้เป็นอกุศลทุจริตหรือโลภโกรธหลงไม่ให้มีในจิตเนะี่ยไม่ให้มีอนุสัยอาสวะแม้ที่สุดไม่ให้มีตัณหาใดๆถ้าประสงค์ในเรื่ออากังขะหรืออากังขาถ้าประสงค์จะไม่มีจะว่างจะวางในขณะใดเมื่อใดก็ไม่มีไม่เป็นสำเร็จได้ทุกขณะทุกเมื่อจริง นี่เป็นประสิทธิภาพของพระอาหารหันต์ของพุทธทำความเข้าใจกับคุณลักษณะผู้บรรลุธรรมของพุทธดีๆนะซึ่งจะแตกต่างจากคุณลักษณะผู้บรรลุธรรมของเดรธีฤอษีเพราะเดรธีฤอษีนั้นจะสุดตรงไปข้างไม่ซึ่งสุดเวียงไปอีกพบหนึ่งนะสำหรับฤๅษีเดรธีเนี่ยจะสุดตรงไปข้างไม่ซึ่งสุดเวียงไปอีกพบหนึ่ง กล่าวคือผู้บรรลุธรรมของเดรธีหรื อ, ร อ, รอหรือหรือศรีนั้นยิ่งบรรลุยิ่งมีภูมิธรรมสูงขึ้นสูง ข, ขึ้นก็ยิ่งไม่ขยันไม่แข็งขันในการงานโดยเฉพาะการงานภายนอกการงานอาชีพซึ่งแม้แค่ปุถุชนเขาก็ยังดีสักกว่านี่โพฤุษีจะเป็นอยังไงโพเดรธีที่หลบมุมเขาป่าเขาทำหรือว่าเป็นความเข้าใจอีกแบบนึ่ยิ่งไม่สร้างสรร ยิ่งไม่เสียสละแรงงานยิ่งไม่มีความรอบรู้ช่วยสังคมช่วยโลกยิ่งเฉยยิ่งเนื่อยไม่กระตือรือร้อนช่วยเหลือยิ่งไม่ยุ่งกับงานนี่โพฤุสีเดียร์ีอีกชนิดที่ปฏิเสธหรือว่าชนิดที่ไม่ไ ม, ไม่มันจะสุดโตงไปในทางไม่ยิ่งไม่มีประสิทธิภาพไม่มีอิทธิพลไม่ร่าเริงยินดีในการงาน ยิ่งไม่มีความมุ่งมา่ปรารถนาไม่มีความต้องการไม่มีความอยากได้มันหนักไม่ทางไม่ปฏิเสธยิ่งไม่ไม่ไม่หมดเลยซึ่งจะไม่เหมือนพุทธพุทธอยากอยากก็ได้แต่ก็ไม่ติดอยากบางอยากก็ได้ด้วยจะไม่เหมือนกับยังฤษีไม่ก็ได้แต่ไม่ตรงไม่ยังและสะอาดบริสุทธิ์ก็ยังได้ของพุทธเนี่ยแต่ไม่ตรงไปในั้งติดอยู่กับพบไม่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ใช่ หรือว่ายิ่งหลงผิดในความเป็นวิพภวตัณหาแรงกล้าขึ้นซึ่งที่จริงเขาไม่รู้จักวิพภวาตาัณหาหรอกฤาษีนะแต่เขาหลงผิดยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่หลงผิดแบบฤาษีจึงมาแปลวิพภวตัณหาเพี้ยนมาเรื่อยในเทรวาสนี่แแปลวิพวตัณหาเพี้ยนเรื่อยจนทุกวันนี้วิพภวตัณหาเลยไม่รู้เรื่องเลยนะกลายแปลว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ก็เลยกลายเป็นหนักไปในทางไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไปติดพบพวิพภวตัณหาเนี่ยมันเป็นภวะตัณหาชนิดหนึ่งนะ ติดพบไม่ติดพบไม่คือติดพบปฏิเสธนะจึงกลายเป็นคนที่ยิ่งหลงเพราะวัตันหาหรือยิ่งหลงมีพบสุดตรงไปสุดๆคือติดยึดเพราะวัตันหาหรืออยากได้พบอีกชนิดหนึ่งนั่นเองปฏิเสธไม่ก็เลยกลายไปติดพบที่ไม่เป็นพบอีกชนิดหนึ่งปฏิเสธสุดตรงสุดตง่งสุดกูเลย ดังนั้นเดรัธิรือรือสีที่มิจฉาทิฏฐิออกไปจากพุทธนีจึงยิ่งมีภวะตัณหาเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยายิ่งหนักเฉยว่างๆเป็นสุขนะลงพะอุเบกขาลงติดพบของฌานชนิดนั่งหลับตาทำขึ้นเป็นสุขคือนั่งชนิดนั่งหลับตานี้ต้องทาต้องทำขึ้นเอานะพวกนั่งหลับตาจะหลับตาอยู่ตัดพอรหลอดเขาหยุดไม่ได้หรอก หลงติดพบของฌานชนิดน voilà> like ั่งหลับตาทําขึ้นเป็นสุขคือรูปฌานอรูปฌานหลงติดพบของการปฏิเสธความเกี่ยวข้องยิ่งยิ่งขึ้นพบการปฏิเสธความเกี่ยวข้องจะเกี่ยวข้องก็อะไรเขาจะไม่พยายามเกี่ยวแล้วหลงความไม่เกี่ยวข้องกับอะไรได้เนี่ยเป็นสุขถ้าไปเกี่ยวข้องเขาจะเป็นทุกข์ก็คือหลงอสังคณิกะหลงอสังสักะเป็นพบของอสังคณิกะ ผมพบของอสังสัก ข, ขะมากขึ้นหลงติดพบที่ตนชอบใจนั้นๆเป็นสุขก็คืออุปทานหรืออัตตาหนะลงติดพบของความไม่มีไม่เป็นไม่ยากอย่างสุดตรงเป็นสุขคือนัตติกะนะลงพบนัตติกะแม้แต่หลงติดงาน บางชนิดที่ตนชอบใจนั้ น, น, นเป็นสุขกรรมรามาตานะซึ่งล้วนแต่เป็นภพที่ยิ่งลึกก็ไปหาภวังภายในพวกนี้นะเป็นภพที่ไม่ค่อยรู้ภพาะว่ตัณหาหคนพวกนี้มันเป็นภาวะตัณหาแล้วมันก็ยิ่งลึกก็ไปในผวังภายในนะการหลงนะที่เรียกว่าโมหะหรือมะะัทะนี่นะความหลงที่เรียกว่าโมหะหรือมัถะนนะีคือ ยังไม่รู้เท่าทันยังไม่ไหวทันยังติดยุดจึงยิ่งไม่รู้ในเล็บ อ, อวิชชาเรื่องพบหรือภวะตัญหามากยิ่งยิ่งขึ้นเดรธีหรือฤษีหรื อ, ร อ, ร อ, รอพุทธมามะกะที่หลงดังกล่าวนี้จึงดูเหมือนหลุดพ้นได้แค่กามหรือลาบยศที่เป็นวัตถุภายนอก นี่วงเล็บไว้ให้ฟัง้วยว่าแท้จริงแล้วยังไม่แน่โดยซ้ําพระพุทธเจ้าไม่รับรองแม้แค่เป็นโซดาบันโพฤุสีที่ว่าแหนดหนี้จากวัตถุโลกโลกกีลาบยศอะไรไปได้ไกลนี่นะแท้จริงแล้วยังไม่แน่โดยซ้ำเพราะพระพุทธเจ้าทำในแดนรับรองเป็นโซดาบันนะจึงดูเหมือนหลุดพ้นได้แค่กามหรือลาบยศที่เป็นวัตถุภายนอกแต่ไม่หลุดพ้นหรือไม่ค่อยจะรู้ละเอียดในพวะตัญหา จึงติดจมอยู่กับภวะตัณหากันสุดโต่งหนักขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเดรัฎีหรือศีหรือว่าพุทธมามา ก, กาที่หลงที่หลงกันนะถือว่าพุทธมามกกากะก็มีหลงแบบนี้นี่เยอะนะเหล่านี้จึงไม่มีสิทธิ์เดินทางเข้าสู่พบวิภวะพบแน่เพราะมาคนที่หลงแบบนี้จะไม่มีสิทธิ์เดินทางเข้าสู่พบที่เรียกว่าวิภวะพบ วิภวภพนี่เป็นภพชั้นสูงแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะรู้รอบทองแท้ถูกต้องสมบูรณ์ในวิภาวะตัณหาภพที่สูงเหนือกว่ากามภพภวภพเรียกว่าวิภะวภะพนี้จึงยากที่จะเข้าใจหรือที่จะรู้จักเห็นได้ง่ายๆบาลีเรียกว่า ทุตตะหรือทุรนุโพธะหรือทุตตะสาทุรนุโภธานั้นเพราะความเป็นจริงภูมิของผููนั้นยังไม่ได้ยังไม่เป็นจริงเพราะภูมิของผููนั้นยังไม่ถึงพบนี้แม้แต่แค่อาสวะเหล่าเดียรทีหรือฤษีดังกล่าวนี้หรือเหล่าพุทธมามะกะเองที่ยังมิชาทิฐิอยู่นั้นก็เช่นเดียวกันกับฤษีก็จะไม่มีวันล้างหรือทําลายออกได้หมดสิน้น เพราะถ้าเข้าใจมักอันมีองแปดไม่ถูกต้องลึกซึ้งเพียงพอก็จะไม่มีทางล้างอาสวะสิ้นได้เด็ดขาดป่วยการกล่าวถึงลทัทธิที่ไม่มีทางปฏิบัติที่เป็นมัชมีองแปดนะเพราะฉะนั้นพวกที่ยิ่งไม่มีมักอกมีองแปดเป็นทางปฏิบัติแล้วไม่ต้องป่วยการไปกล่าวถึงเลยพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ชัดๆว่ามีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่น เอเสวมัคโคหนักทันโยทางมีองทางมีองคป8ประเสริฐกว่าทางทั้งหลายมัคคานัตทังคิโกโเศธโธ ท, ทางมีองค์8ประเสริฐกว่าทางทั้งหลายอันนี้มาจากพระเถรปิฎกเล่มยีผ้าข้อ30นะและยังมีความแตกต่างอีกอันหนึง่ง ความแตกต่างของผู้ที่เป็นเดรัจฉีหรือฤษีกรุงอันนี้เป็นการกล่าวถึงฤษีป่าจะเป็นลักษณะไม่ทำไม่ขยันการงานไม่เอาทานอย่างที่กล่าวไปแล้วนะจะไม่จะตรงกันข้ามกันกับลักษณะวิริยารำพระอ่านะ ว่าโลกานุกรรมปายะวยาวาจะอิทธิบาตีอากังขาวาจร อ, อิชาวาจร อ, อะไรพวกนี้หรือแม้แต่วิพัฒนาเนี่ยจะต้องข้ามไปหมดเลยฤๅษีป่าส่วนฤๅษีกลุ่งนั้นจะมีลักษณะหมายวิริยารัมภะด้วยนะเออเอาสิจะมีลักษณะโลกานุกรรมปายะเขาว่านะเขาโลกานุกัมปายะคือเขาก็จะอนุเคราะห์โลกช่วยโลกนะ เวยาวัจจ์ไม่คนค้นขวายกระตือรือร้นอีกเหมือนกันยุ่งกับงานเก่งเหมือนกันบรูษีกรุงเนี่ยมีอธิบาตศีดูก็มีมีอธิบาติ4มีอาการขาวจรมีอิจฉาวจรมีการข้นขวายมีการปรัชนาต้องการอยู่สูงส่งคล้ายกันมากในฤูสีกรุงนะแต่รูสีกรุงนี้ถ้าไม่ปฏิบัติมรคองแปดไม่ได้เรียนรู้ สังกปวาจากรรมันตะอาชีวะแล้วก็วิจัยวิเคราะห์กายเวทนาจิตธรรมสังวรมีสังวรประธานประหานประธานภาวนาประธานเหมือนอย่างของพุทธแล้วล่ะก็เขาจะไม่เข้าใจละเอียดออนไปถึงเวทนาที่จะถึงเวทนาร้อยแปดังที่เราได้เรียนกันมาเลยโดยเฉพาะเขาจะแบ่งตัวเคหะสิตะกับเนคขมะสิตะ ไม่ออกศาสนาที่ไม่มีมรรคองแปดจะแบ่งไม่ออกเพราะฉะนั้นรสชาติในการบำเรอถือว่าเขาจะเข้าใจในสุขที่เป็นเคหสิตะโสมนัสกับเนคคัมสิตะโสมนัสไม่ได้จะเข้าใจรสอร่อยของการมีความสุขโสมนัสหรือสุขแบบชาวโลก เป็นความสุขแบบโลกีกับการออกจากเป็นความเบาว่างง่ายเป็นการออกจากโลกออกจากรถโลกีนะรถอร่อยของโลกีเนคขมสิตะโสมนัตเป็นการรู้สึกเป็นสุขหรือโสมนัตเพราะเราได้ออกจากรถของโลกีได้ว่างเบาอ่าหมดรถหมดรถลงไปเรื่อยจางคลายด้วยรถโลกีรถลงไปเรื่อยเรื่อย เขาจะไม่ค่อยเข้าใจจะไปมูวว่าจิตสงบจิตว่างเบาง่ายถ้าสายที่ทำงานอยู่ในทางโลกนี่เหมือนกันขยันเหมือนกันเขาก็ยังจะนั่งสะกดจิตหรือตั้งทาสมาธิแบบนี้เหมือนกันเพราะถือว่านั่งสะกดจิตนี้จิตว่างเบาว่างเขาก็จะไปมีพบสมมุติว่ารูปปัจจานอรูปประจานนี่แหละคือพบจิตว่าง ส่วนไปทํางานนั้นเขาก็จะเป็นเคหะสิตะสมนัตอยู่นั่นเองฟังดีๆนะพวกฤาษีกรุงเนี่ยแล้วเขาก็สอนกันด้วยว่าถ้าเรายิ่งทําบุญเป็นกุศลเป็นการเสียสละรืเราได้บุญพบของบุญก็จะยิ่งเป็นพบของอัตตามานะเป็นอัตตาตัวตนเป็นปรมาตามันใหญ่ขึ้นไปใหญ่เพราะฉะนั้นคนฤาษีทางกรุงเนี่ยเก่งกว่าพุทธ ขยันกับพุดอีกเพราะเขาไม่ย้อนแย้งเลยเขาไม่กุยการมาลดละวางเลยเพราะเรานี่มันยากมันเหมือนคำภาษาพูดไปแล้วก็เหมือนตลบตะแลงพูดแล้วเอาไม่เอาไม่เอาแต่เอาเอ๊ะอะไรมีตันหาแต่มีตันหา มันยากแก่การคำความเข้าใจเพราะต้องมีพบทีละเอียดจริงๆแล้วก็ล้างออกมาจริงๆมันจึงจะเป็นภาวะของภูมิพบที่มีจริงเป็นจริงเป็นขั้นระดับระดับเหมือนเดินไต่บันไดขึ้นไปเป็นขั้นสูงสู ง, ส ง, สงจึงจะเจอของจริงตามความเป็นจริงกันไปเรื่อยๆนี่ของพุทธจะเป็นยางไงส่วนของดูสีกรุงนี่ก็ตามจะไม่เป็นอย่างที่ของพุทธเป็น มันจะเป็นแท่งๆก้อนๆเป็นอันๆปรมาติตมันเป็นความเป็นบุญเป็นกุศลเป็นภพของกุศลกุศลก็จะใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งไปไม่มีที่เทียบเท่าทําถวายพระเจ้าสร้างบุญไปอยู่กับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ายิ่งใหญ่เท่าเทียมกับพระเจ้าถ้าเป็นนักบุญใหญ่ๆก็จะเป็นนักบุญที่มีบุญใหญ่ๆเหมือนพระเจ้าว่าเป็นลดภพนะเขาจะแยกภพเป็นว่า อันั่นแหละคือการงานอันนั่นแหะคือบุญคือกุศล ค, คือสิ่งที่ควรมีคนเป็นเขาก็จะเป็นมีในภพอย่างนั้นไปภพสร้างสรรค์สร้างสรรค์เก่งกว่าพุทธบอกแล้วพุทธจะสู้เขายากแต่จะสู้เขาได้เหมือนกันแต่มันยากมากน้อยคนมากที่จะสู้เพราะงั้นปริมาณด้วยส่วนค่าเฉลี่ยแล้วของพุทธเรียกว่าขยันเท่าเขาไม่ได้โดยค่าเฉลีย่ยแต่โดยปัจเจกโดยแต่ละบุคคล พุทธเข้าใจจริงๆจะแข็งแรงยิ่งเป็นโพธิสัตว์ยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าต้องถือว่าเหนือชั้นกว่าเขาด้วยเก่งกว่าทนทานสามารถอดทนได้เหมือนกันขยันมันเป็นประสิทธิภาพเหมือนกันอย่างบุตรเจ้าจบสิบแปวิชาเดินได้โอ้โหเป็นเป็นคนข น, นาดสุขคลุมารชาตินะพระพุทธเจ้าเดิน200ร้อารกิโลเฉยๆอะอย่างนี้เป็นตัวสมบูรณ์มบัติเก่งอดทนนะ นั่นนั่นเรียกว่าพิเศษแต่ค่าเฉลี่ยแล้วพุทธขยันสู้เขาไม่ได้ปริมาณจะสู้ไม่ได้แม้แต่มวลก็สู้ไม่ได้คุณภาพการขยันถ้าเอาค่าเฉลี่ยแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะตอนนี้เขาไม่ได้ลบล้างอะไรกันเลยเด่นๆส่วนจะพักสงบนั้นนั่งสมถะเพราะฉะนั้นในสายหรือสีในสายหรือสีกรุงหรือในสายสาสาศาสนาที่แม้แต่พุทธมามกะก็ตามที่หลงทางก็จะ นั่งสมาธิเพื่อเอาความสงบพักวางส่วนพบสร้างก็สร้างบุญคือสร้างเขาก็เลยเข้าใจว่านิพพานคือนั่งสงบหลับตาจึงติดอยู่ที่รูปฌานกับอรูปฌานซึ่งเป็นภพหนึ่งเหมือนภพฤษีฤษีกลุงจึงมีภพฤษีป่าแต่ไม่ออกป่ากับมีพวกที่เจริญงอกงามในสังคมโลกเหมือนโล ก, กีอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกัน ส่วนการที่จะกดข่มความอยากได้มาให้แก่ตัวแก่ตนนั้นก็อยู่ที่บา ร, รมีของแต่ละคนของรูสีกรุงของแต่ละคนที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยโลภไม่แก่ตัวเท่าใดเท่าใดแต่ไม่เป็นการศึกษาที่ละเอียดชัดเจนเหมือนของศาสนาพุทธที่ให้เรียนรู้จากรสอร่อยอัสทธบาเรอตนเป็นเคหสิตะสมนัตหรือเป็นเนคขมสิตะสมนัตไม่ได้เรียนรู้ชัดเจนตัวนี้ เพราะฉะนั้นพุทธมามกะหรืออาจารย์าศาสนาพุทธทางาศาสนาพุทธนี่ก็ตามอธิบายทำมาแล้ววิเคราะห์วิจัยสุขที่เป็นโล ก, กีกับสุขที่เป็นโล ก, กุตระนี่ไม่ออกสุขสงบละ ง, งับนี่เพราะฉะนั้นกาจะอธิบายสุขสงบระ ง, งับเมื่อไหร่ก็ไปเป็นฌานเป็นนั่งหลับตาสกุลจิตวิสีไม่ได้เป็นได้ลืมตาโปรง่ร ง, รงนี่เลยไม่เยอะมากมายเลยพุทธมามกะหรือว่าอาจารย์สอนทางพุทธนี่ก็ตาม จะวิเคราะห์ตรงนี้ไม่ออกจะเข้าใจตรงนี้ไม่ได้ฟังตรงนี้ให้ชัดๆนี่คือฤาษีกรุงเพราะฉะนั้นจะมีตัวซ้อนอยู่ว่าตัวสงบก็จะทําเอาเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะนั่งสมาธิเพื่อนึกว่าเป็นนิพพานพราสงบส่วนทํางานนี้ไม่ใช่นิพพานแต่เป็นคุณค่าเป็นบุญเป็นประโยชน์ก็ยังดีจะเป็นคนไม่ไร้ค่ามรุสี เพราะงั้นถ้าเผยผู้ใดมีบา ร, รมีธรรมเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ไม่เห็นแก่ลาบไม่แกลกลาบแลกยศอะไรมากมายหรือไม่มีการจัดจัดนะคนพวกนี้ก็เสียสละได้พอสมควรแต่ไม่ละเอียดละ อ, อเข้าไปจนกระทั่งถึงความละเอียดสูงสุดนั่นนี้ก็เป็นนัยยะของฤุษีที่ฤุศีกรุงที่ต่างกันอยู่ คิดว่าอาตมาได้สาธยายในในัยยะที่ลึกซึ้งพวกนี้พอเราได้ฟังเพิ่มเติมขึ้นสาหรับวันนี้เนี่พูดไปพูดมาก็ขยายมันยังมีนัยยะละเอียดละออที่จะพูดซ้ําซากเอามาวิเคราะห์เจาะลงไปอีกได้อีกวันนี้ก็ขยายเพิ่มเติมขึ้นมาพอสมควรกับเวลาแล้วเลยเวลาไปแล้วด้วยนะก็ขอจบดื้อกันเพียงเท่านี้ก่อนวันนี้